ส่วนถ้าศรัท ธ, ธาธิกะบำเพ็ญบารมีแปดอสงไขยเศษอีกแสนกับนี้บำเพ็ญด้วยศรัท ธ, ธาบางท่านเป็นวิริยาธิกะบำเพ็ญด้วยความเพียรพยายามอันนี้สิบหกอสงไขยเศษอีกแสนกับพระประเจกพรพุทธเจ้านั้นสองอสงไขยเศษอีกแสนกับพระอัครส า, าวกซ้ายขวาคือพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเนี่ยหนึ่งอสงไขยเศษอีกแสนกับพระอานนท์เป็นต้นเนี่ยนะ พุทธมารดาพุทธบิดาอะไรต่างๆเหล่านี้หนึ่งแสนมากับส่วนที่เหลือไม่ทราบว่าเท่าไรแต่ว่าผู้ที่ได้รับเอตถคะทั้งหลายนั้นเน่ะต้องหนึ่งแสนกับแต่มีบางท่านเล่าว่าสัตว์ทั้งหลายที่จะตรัสรู้ธรรมนั้นต้องหนึ่งแสนกับทุกคนแต่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนบารมีจะเข้มข้นขนาดไหนก็แล้วแต่ใครแต่ว่าโดยสรุปท่านเล่านะ อันนี้เป็นมติของบางท่านกล่าวว่าต้องหนึ่งแสนกักหมดในการบําเพ็ญบารมีถ้าหากว่าในการบําเพ็ญเพื่อที่จะตรัสรู้อริยสัจถ้าบางท่านปรารถนาตําแหน่งใช่ไหมอย่างพระอนุนท่านก็ปรารถนาตําแหน่งพระอนุรุทธะท่านก็ปรารถนาตําแหน่งพระมหากระสปะท่านก็ปรารถนาตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ส่วนสาวกที่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงแต่ก็บรรลุเหมือนกันแต่ท่านก็เล่า ว, ว่าแสนกักอันนี้ก็รับฟังไว้ก่อน ผมช่วยทานหน่อยนะขอท่านไมื่อยดีคือถ้าจะกล่าวว่าผู้ที่ปรารถนานั้นเนี่ยนะบางแห่งอาจจะกล่าวโอ้โหนั่นนั่นความปรารถนาเป็นโลภะไม่ใช่ครับความปรารถนาเป็นคําพูดเป็นภาษาเท่านั้นที่ไม่ได้บอกว่าเป็นอกุศลเสมอไปปกติถ้าหาว่าปรารถนามักจะโยนให้ไปเป็นโลภะไปหมดไม่ใช่ครับปรารถนาที่เป็นกุศลก็มีถามว่า พระอศิตธิสาวกทั้งหลายนั้นเนี่ยปราถนาเอตะทัคคะทั้งหลายเนี่ยนะต่างๆกันเนี่ยเพื่ออะไรถ้าหากว่าปราถนาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นปราถนาเพื่อที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้สมความปราถนาแล้วใช่ไหมครับเช่นถ้าหากว่าท่านปราถนาที่จะเป็นผู้ที่มีความทรงจํา อย่างพระอานนท์เนี่ยถามว่าเพื่อประโยชน์สําหรับพระอานนท์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นความปรารถนานั้นเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วจะไปบอกว่าเป็นอาคุณได้ไหมครับไม่ได้ครับนั่นเป็นไม่ได้ปรารถนาการมเลยครับเป็นการปรารถนาที่เพื่อคนอื่นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการที่เรียนพุทธศาสนาเนี่ยคงจะไม่ตัดสินด้วยคําพูดอะไรง่ายๆอย่างนั้นนะฮะ ทุกอง ค, ครับที่ปรารถนามาเนี่ยนะครับเพื่อผู้อื่นเพื่อสื่อพระศาสนาเพื่อที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นสัตว์โลกทั้งหลายทั้งสิ้นถ้าเราไม่ได้พระนนทเนี่ยถ้าทําอะไรตั้งความปรารถนาอย่างนั้นไว้นี่นะครับเราได้ศึกษาทำมาไหมเราไม่ได้เลยครับเพราะฉะ น, านาั้นนะฮะการตั้งความปรารถนานั้นเนี่ยมีความสําคัญพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่มีศีลสูตรตาจารค้าปัญญานะครับเมื่อทำํำกุศลอะไร ปราถนาเถอะครับใต้หมดครับอยู่ในพระสูตรนะครับถ้าท่านมีศีลสูตรตาจารค้ปัญญาเมื่อไหรนะครับท่านบำเพ็ญกุศลท่านจะปรารถนาเป็นอะไรก็ย่อมเป็นได้ครับตรงนี้ก็มีความสําคัญนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับท่านฟังดูว่าพระสูตรต่างๆประวัติพุทธสาวกบ า, บางองค์ที่เคยมีประวัติว่าได้ทําบุญกับพระตเจ้าพพุทธเจ้าทั้งๆที่เป็นในพราณอยู่นี่นะครับ ท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านไม่ได้เป็นนายพรานทุกชาตินะครับแล้วท่านต้องบําเพ็ญบารมีมาตั้งเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยแ ส, แสนกับนะครับเพราะฉั้นเราอย่าฟังผิวเผินว่าผู้ที่เป็นนายพรานก็สามารถบรรลุได้เพียงแค่ทําบุญกับพัพปเจกับพุทธเจ้าเท่านั้นแต่นั่นเป็นอุปนิชยปัจจัยอย่างหนึ่งเท่านั้นที่สําคัญมากที่ทําให้ท่านได้มีโอกาสได้ ศึกษาบำเพ็ญบารมีต่อไปอีกอีกไม่น้อยทีเดียวคือแรงปรารถนาอันนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าปรารถนาแค่นั้นแล้วสำเร็จใช่ไหมอย่างอย่างสมมติบางท่านน่ะเดินผ่านตลาดโอ้อยากเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยความคิดแค่นั้นเนี่ยไม่ใช่ทําให้เป็นเจ้าของตลาดได้แต่ถ้าไม่มีความคิดอันนั้นจะเป็นเจ้าของตลาดได้ไหมไม่ได้ไไดจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมาก<อ>เลยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ที่ท่านบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเพราะพระองค์ถวายผ้าเก่าๆพื้นหนึ่งแก่พระภิกษุรูปหนึ่งนีแล้วท่านตั้งความปรารถนาด้วยกรรมมันนั้นทําให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้มีในคำภีอปิธานผู้ที่จะปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งแสดงว่าเขาศรัทธาเรื่องนั้นอย่างเช่นพระอนอนท์เนี่ยปรารถนาตําแหน่งคือผู้ที่ทรงจําพระสูตร ท, ท่านศรัท ธ, ธาในพระที่ทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสุปฏิปันโนใช่ไหมเป็นเป็นอุชูปฏิปันโนเป็นยายาปฏิปันโนเป็นสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกที่ติดตามพระพุทธเจ้าท่านเป็นหนึ่งในอริยสงฆ์ผู้นี้ก็ไปเห็นแล้วเลื่อมใสศรัท ธ, ธาเจตสิกก็เกิดขึ้น ศรัทธาก็เกิดขึ้นเมื่อศรัทธาก็เกิดขึ้นเนี่ยเออเราอยากจะทํางานชนิดนี้บ้างอยากจะทําประโยชน์แบบนี้บ้างท่านก็ตั้งความปรารถนาแต่ทีนี้การที่จะมาภรณนาทุกแง่ทุกมุมเนี่ยมันก็เรื่องมันก็จะใหญ่โตเกินไปเพราะว่าในคัมภีร์ท่านก็บอกว่าข้าพเจ้ากลัวความพิสดารยิงนะคือแค่นี้ก็เต็มทีลนะเพราะนั้นเราก็ต้องความเข้าใจว่าการปรารถนานั้นเป็นความปรารถนาที่เกิดจากศรัทธา เลื่อมใสในพระสงฆ์อย่างเช่นอุบาสิกามิสาขาเนี่ยเห็นว่าโอ้โหอุบาสิกาคนก่อนเนี่ยทําบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาเลื่อมใสมากว่าคนนี้ทําไมเขามีทรัพย์อ่ะเขามีทรัพย์เสร็จเขาทําบุญกับพระพุทธเจ้าได้ยังอย่างชนิดที่ว่าคนอื่นทําตามไม่ได้เขาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่ทําบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขนาดนี้แล้วนี่เป็นนาบุญอย่างพิเศษเนี่ย เขาคงได้บุญมากมายมหาศาลอุสรจิตคงเกิดมากมายมหาศาลตามเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งชาตินี้ประโยชน์ทั้งชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้ฟังพันตลอดเป็นผู้ที่มีซักเอ๊ะอยากเป็นอย่างนั้นบ้างไอ้คาว่าอยากก็คือนี่เป็นสำนวนไทยอยากเป็นวาจาเฉยเฉยใช่ไหมเป็นจิตตชรูปรูปเป็นอัพยยากตะทางรูปกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลหรือ อาุศลแต่สภาพจิตที่ต้องการทํากุศลลักษณะนั้นเป็นเป็นกุศลกุศลอันนั้นเป็นอุปนิสัยให้ทํากุศลพอท่านคิดอย่างนั้นปั๊บท่านไม่ได้ทําบุญครั้งเดียวท่านทําบุญตลอดชาตินั้นและท่านมีโอกาสพอเห็นพระที่หรือมีโอกาสพอที่จะทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็จะทํากุศลนั้น น, นทันทีเลย มีเหตุได้ปัจจัยอะไรท่านก็จะรีบทํากุศลเพื่อที่จะสะสมบารมีของท่านอันนั้นให้มากขึ้นการตั้งความปรารถนาเหมือนอย่างนางวิสาขาเนี่ยปรารถนาเพื่ออะไรปรารถนาเพื่อทําบุญนะทําบุญทําบุญกันเรียกว่าเหมือนกับการค่านะทีแรกมีบาทเดียวก่อนไปซื้อของที่มีราคาบาทเดียวมาขายได้สองบาทจากสองมาต่อเป็นสี่จากสี่ต่อเป็นแปดจากแปดเป็นสิบกเพิ่มเิ่มมันมาเรื่อย นางทีแรกประกายทีแรกก็กุศลจิตหน่อยเดียวก่อนเอาบุญเนี้ยมาต่อบุญมาเป็นอุปนิสัยให้บุญสูงๆใหญ่ๆขึ้นจนถึงกับบุญได้ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วชีวิตของผู้ที่สะสมหรือตั้งความปรารถนาไม่ใช่ว่าตั้งความปรารถนาเสร็จก็นั่งเฉมเหมือนกับเด็กชาวชนบททั่วไปบางทีก็จะนั่งฝันกลางวันกันน่ะนะนอนใต้ต้นไม้ก็จะฝันแม่เครื่องบินเนี่ยผ่านมาตรงนี้น่าจะตกแคว่า โยนกระสอบเงินมาสักกระสอบนึงอะนะลงมาจะแบ่งให้แกเลยห้าร้อยอันนั้นมันไม่ใช่ฝันแบบนั้นความปรารถนาเหล่านี้ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงซึ่งเป็นศรัทธาจริงๆอย่างเช่นวิสาขาอุบาสิกานี่เป็นพระสงฆ์ไหมเป็นไหมเป็นอริยะสงฆ์สงฆ์คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้า นางวิสาขาเป็นอริยะสาวกเป็นสงโดยโดยคุณธรรมไม่ใช่สงโดยเพศแต่เป็นสงโดยคุณธรรมปราถนาเป็นสงแบบนั้นเป็นโลภะได้อย่างไงใช่ไหมไม่เป็นปราถนาเป็นแบบพระอนุนเนี่ยมีบุญขนาดนั้นเนี่ยเป็นโลภะได้ยังไงโลภะมันไม่ปรารถนา ด, ดีขนาดนี้หรอกเชื่อหรอแต่ถ้าโลภะก็โลภะอย่างนี้น่าสนับสนุนมีนะข้อความแห่งหนึ่งก็บอกว่าอาศัยตันหาละตันหา ก็บอกว่าไอเห็นว่าโอ้โหคนอื่นเข้าบรรลุทำกันมากมายทําไมเราไม่บรรลุสักทีนึงเราจะต้องบรรลุให้ได้ถ้าหากว่าด้วยอํานาจโลภะอันนั้นถามว่าโลภะอนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลควรเจริญหรือไม่ควรเจริญท่านบอกว่าควรเจริญวนี้คำพิธีท่านบอกว่าควรเจริ ญ, น, น, รรญนั้นอกุศลบางอย่างเออกุศลในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะั้นมีที่ตรงนี้ที่เดียวอะ่ะที่ในข้อความบอกว่าอากุศลควรเจริญมีตรงนี้ที่เดียว โลภะเนี่ยตัวนั้นเป็นโลภะใช่ไหมเป็นเป็นอกุศลใช่ไหมเป็นมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษควรจเจริญไหมควรเพราะเป็นโลภะแบบต้องการเป็นผ้าอรหรอันน่ะอยากเป็นผ้าอรหรันแต่อยากอย่างเดียวพอไหมก็บอกว่าวิธีการด้วยในพระสูตรบางแห่งเนี่ยกล่าวถึงว่าคนที่อยากได้น้ํามันงาอยากอย่างเดียวไม่พอหรอกกระบวนการในการบีบคั้นมเมล็ดงานเนี่ยให้มาเป็นน้ํามันอันนั้นด้วย อยากด้วยและก็วิธีการที่ถูกต้องด้วยการตั้งความปรารถนาถึงตั้งด้วยโลภะถ้าเอาตามสูตรนั้นมาก็เป็นเรื่องไม่เสียหายแม้แต่โทมนัสไงโทมนัสเป็นชื่อของโทสะใช่ไหมโทสะนั้นน่ะพระองค์แยกออกเป็นสองส่วนเป็นโทมนัสที่อาศัยกามกับโทมนัสที่อาศัยเนคขมะพระองค์บอกว่าให้ละโทมนัสที่อาศัยกามให้เจริญโทมนัสที่อาศัยเนคขมะ ให้เสพอกุศลอย่างนั้นพงษ์ยังบอกไว้เจริญแต่เป็นอากุศลอย่าลืมว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมชั้นสูงจะรู้ว่ากุศลก็เป็นปัจจัยแก่อากุศลอากุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลแต่ถ้ารู้ว่าบาปเนี่ยใครยินดีในบาปไหมจะไม่ยินดีเมื่อทุกคนรู้ว่าเป็นอากุศลจริงๆเขาจะเริ่มผ่อนคลายทุเรียนนี่เราซื้อมากั่เนื้อไหมซื้อมาทั้งลูกอ่นแหละซื้อมาทั้งหนามด้วยแต่พอเราจะกินเข้าจริงๆก็ ถ้าเอาส่วนที่เป็นเป็นเนื้อเท่านั้นเองในการเจริญกุศลธรรมก็เหมือนกันการรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอัพยากะตะสามคำเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยอย่างที่นั่งนั่งกันอยู่นี่ไม่ได้กุศลอย่างเดียวใช่ไมมีทั้งกุศลก็มีอกุศลก็มีอัพยากะตะก็มีส่วนไหนที่เป็นกุศลกันส่วนไหนที่เป็นกุศลที่เรานั่งกันอยู่เนี่ย ส่วนที่เป็นกุศลก็คือความเข้าใจนะฮะการฟังแล้วเกิดความเข้าใจนี่ก็เป็นกุศลนะครับฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยท่านเอาอะไรมาพูดเนี่ยเจจริงหรือเปล่าเนี่อาจ บ, บางท่านนะอาจจะเป็นอกุศลก็ได้ฟังแล้วก็ก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะฟังแล้วก็เฉยๆนะครับก็เป็นอกุศลได้นะครับ ฉะนั้นในะชีวิตประจําวันนะครับเป็นได้ทั้งกุศลและขุนตเตอส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ได้อยู่ในวงการสนทนาธรรมในชีวิตประจําวันนะคาราว่านี่โดยมากเป็นอ ก, กุศลถ้าส่วนใหญ่เยอะทีเดียวเรียกว่าจะกล่าวว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นนะถ้าจะเก้าสิก้าเปซ็นเป็นกุศลท่านเดินออกจากนี่ไปนะครับท่านเพียงแต่ว่าเห็นอะไรที่ถูกตาถูกใจของท่านทั้งหน่อยนะเห็นคนแต่งตัวงา ม, งาม อกุศลเอาไปกินอีกแล้วจิตของท่านติดข้องแล้วเออสวยงามนี่คนนี้แต่งตัวเสื้อผ้าถูกตาถูกใจเหลือเกินนะนี่เป็นอกุศลไปแล้วเป็นโลภะไปแล้วติดข้องไปแล้วถึงแม้จะเบาบางก็เป็นอกุศลถ้าเกิดไปเห็นผู้ใดแต่งตัวแล้วก็ลุงลังแต่งตัวไม่สวยงามไม่ถูกตาเลยอ้าวโทสะเอาไปกินอีกแล้วถึงแม้ว่าท่านออกไปท่านไม่เจออะไรเลยนะท่านเจอแต่ถ น, นนเจอแต่ต้นไม้ เจอแต่รถถามว่าจิตเป็นอะไรครับก็ไม่ได้ไปชอบรถก็ไม่ได้ไปชังรถถูกไหมครับแต่ก็เห็นรถเห็นเนี่ยเห็นรถอย่างเนี้นะครับถามว่าจิตเป็นอะไรเป็นอกุศลอีกครับเพราะว่าเป็นโมหะครับเนี่ยครับไม่ในรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้เลยก็เป็นเป็นโมหะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจิตบุตุชนส่วนใหญ่นะครับเจอทั้งขึ้นทั้งล่องเลย ชอบก็เป็นอกุศลไม่ชอบก็เป็นอกุศลเฉยๆก็ยังไม่นอกุศลอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในชีวิตประจำวั น, นอกุศลมันท่วมทับมากมันท่วมทับเราขนาดที่เรียกว่าเราไม่รู้ตัวเราเห็นเป็นของธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยทําอย่างไรล่ะครับจิตจึงจะเป็นกุศลได้มากๆตรงนี้นะที่นึกถึงว่าการตั้งความปรารถนาเนี่ยก็ปรารถนาเพื่อจะให้กุศ ล, ลจิตมันเพิ่มพูนขึ้ น, นใช่ไหม วิถีชีวิตเราก็ปล่อยอยู่แล้วแต่ละวันแต่ละวันก็เดินเหินอยู่แล้วแต่เราเดินเหินแบบคนมีเป้าหมายเนี่ยกับไม่มีเป้าหมายแ ต, ตกต่างกันอย่างชายคนหนึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดา้อยเนยเลยก็เดินเหมือนกันไปเที่ยว ง, งานก็เที่ยวเหมือนกันอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักธุรกิจไปเที่ยว ง, งานเหมือนกันแต่เขาจะมองแบบเชิงธุรกิจไปเป็นพ่อค้าเป็นอะไรเขาจะมองแบบห้องเข้าไปคนที่ตั้งความปรารถนาในกุศลธรรมก็เหมือนกัน ผู้ที่ตั้งความปรารถนาว่าฉันจะต้องเป็นแบบนางวิสาขาจะคิดหาวิธีการที่จะทําแบบนางวิสาขาแหละคนที่ตั้งความปรารถนาแบบจะเป็นเหมือนพระอนุนจะคิดหาสูตรอะไรที่จะส่งเสริมบุญบารมีให้เป็นเหมือนกับพระอานุนให้ได้บางคนเนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะบําเพ็ญบารมีข้อไหนได้บ้างในบารมีสิบประการเขาจะคิดตลอดเลยเพื่อที่จะหาวิธีการที่จะทํำกุศล หมูสัตว์นี่มีอกุศลเป็นที่มายินดีแต่เขาต้องการเจริญกุศลเพื่อกุศลอย่งยิ่งขึ้นไปพอกพูนพัฒนากุศลเหล่านี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนที่ตั้งความปรารถนาก็คือคนที่มีเป้าหมายเพราะฉะนั้นบางแห่งท่านจิงบอกว่าควรตั้งความปรารถนาการที่เราไม่ตั้งความปรารถนาก็เหมือนกับคนคว้างไม้ขึ้นไปบนท้องฟ้าคว่างขึ้นไปจะให้ตกที่ไหนก็ไม่รู้ หรือคนที่หาซับแบบคนไม่มีเป้าหมายเหมือนกันถึงรายได้ดีแต่ก็ใช้สเปะสปะไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยมีเงินเดือนตั้งหลายหมื่นนะบางท่านทํางานมายี่สิบปีสรุปแล้วก็มีเงินเท่าเดิมอเท่าสมัยไปทํางานใหม่ๆเพราะไม่มีเป้าหมายเก็บหอมรอมริบอะไรสักอย่างเดียวบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช้จ่ายยีมหรูช่ยแฉกไปแต่ละวันแต่ละวันไปนั่นเรียกว่าคนไม่มีเป้าหมายแต่เป้าหมายของเขาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอะไร ถ้าสนับสนุนส่งเสริมผมผมเป็นกุศลหรือกุศลผมเป็นกุศลและอกุศลผมเป็นอภพยกตตาถ้าสนับสนุนให้ผมมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้โลภะแน่นอนสนับสนุนเล็บสนับสนุนฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเนี่ยสนับสนุนตาหูจมูกเลนกายกายทั่วไปเนี่ยประดับสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นไปกับอกุศลเพราะไม่ได้เป็นไปกับทานศีลและ ภาวนาแต่ผมขนเล็บฟันหนังตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เรามีอยู่แล้วใช่ไหมมีตัวเข้าเองเป็นอัพยากตาธรรมใช่ไหมเป็นเที่ยงไหมไม่เที่ยงถ้าเราไม่เอาไปทํากุศลแล้วจะเอาไปทําอะไรเหมือนกับอาหารในถ้วยหนึ่งไหมเหมือนน้ำส้มแก้วเนี่ยมันก็มีอายุตามธรรมชาติของเขาอะ่ะถ้าเราไม่รีบดื่มนะปล่อยให้เป็นพรุ่งนี้ป ร, รืนนี้สามสี่วันเป็นไงบูดสิเสียเลย ชีวิตของเราก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันผมผมเล็บฟันหนังนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่น้อมสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะบําเพ็ญกุศลอย่างใอย่างหนึ่งพังแน่เปื่อยแน่อาหารในถ้วยเราถ้าไม่รีบเอามาทำบุญนะบูร ถ, ถ้าไม่รีบกินเองไม่ไม่สงเคราะห์คนอื่นไม่อะไรสักอย่างเดี๋ยวก็บูธข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีอนุภาพเป็นอาจินไตผู้เป็นนายกเลิศของโลกถ่อยความทั้งหมดนี้เป็นถ้อยคาที่สะดุดีเทิดทูนบูชายกย่องคุณความดีของพระผู้มีพระภาคเจ้านับตั้งแต่เบื้องต้นมาเลยเพราะคำว่าเจรยานั้นเป็นชื่อของความประพฤติเจรยาในที่นี้หมายถึงโลกัตถเจรยา ความประพฤติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกความประพฤติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกนั้นจะสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยการบําเพ็ญพระบารมีธรรมซึ่งจริยาถ้านับตั้งแต่ต้นเลยสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นั้นเรียกว่าบารมีธรรมบารมีทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงบําเพญ็ญและก็เมื่อพระองค์ทรงบําเพ็ญจริยาเหล่านั้นจนสําเร็จ ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ตะสำมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพระมหิสีตรงนี้ท่านแปลออกมาว่าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่มาจากบาลีว่าพระมหสีพระองค์นั้นเป็นผู้แสวงหาสีและคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแสวงหาสมาธิคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแสวงหาปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแสวงหาวิมุตติคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงแสวงหาวิมุตติญาณทัศนคุณอันยิ่งใหญ่ในพระคุณที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเหล่านี้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนจะยกย่องเคารพในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างมากมายมหาศาลในถ้อยความเท่านี้นี่เขาเรียกว่าเป็นถ้อยความกล่าวถึงพุทธคุณโดยย่อก่อนซึ่งพุทธคุณโดยพิสดาร น, นั้นเราจะได้ศึกษาต่อไป คำว่าจริยาอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นตรงนี้แสดงว่าพระคุณข้อไหนของพระองค์ทรงแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์นั้นชื่อว่าพระกรุณาที่คุณของพระองค์เพราะว่าผู้ที่แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแสวงหาความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นแสวงด้วยความสงสารความการุณาความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลืออย่าลืมว่าพระองค์นั้นเป็นเหมือนกับพ่อ พ่อซึ่งขยันทำการงานเป็นต้นก็เพื่อที่จะเพื่อที่จะบำรุงเลี้ยงดูลูกเพราะสงสารลูกพระพุทธเจ้าก็เป็นในลักษณะเดียวกันแล้วต่อไปนะว่าพระองค์นั้นสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นั้นก็บ่งถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์จากบาปจากอากุศลทั้งหมดทั้งสิ้นเลยและพระองค์นั้นเป็นผู้มีอนุภาพอันเป็นอนจินไตยอนุภาพในที่นี้ก็หมายถึงพระปัญญาคุณ พระปัญญาคุณของพระองค์นั้นเป็นอจินไตยเกินกว่าผู้ใดผู้หนึ่งจะนับได้น้ําฝนยังพอคํานวณได้น้ําในมหาสมุทรท่านบอกว่ายังพอคํานวณได้มเมล็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยพระสารีบุตรพานพอคํานวณได้แต่พระสารีบุตรไม่สามารถที่จะคํานวณพุทธคุณหรือคุณของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นคุณของพระองค์นั้นเป็นอจินไตยคือตามคิดแล้วจบไม่เป็น ผู้ที่จะรู้คุณของพระพุทธเจ้าผู้นั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันจึงจะรู้คุณของกันและกันได้อย่างดีฉะนั้นการยกย่องสรรเสริญคุณนั้นคนพระพุทธเจ้าด้วยกันนะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลากลับหนึ่งกับนี้หมดก่อนแต่คุณของพระพุทธเจ้ายังไม่หมดซึ่งพระคุณนี่มากมายขนาดนะก็เหมือนกับ น, น้ําทะเลนะสมมติว่าเราไปไปเที่ยวทะเลใช่ไหมมองเห็นน้ําทะเล ก็บอกเห็นทะเลแล้วถามว่าเห็นทั้งหมดหรือเปล่าทะเลมีแค่เราเห็นใช่ไหมไม่ใช่ทะเลนี้กว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าสายตาคนธรรมดาจะมองเห็นได้คนสายตาสั้นก็มองเห็นเท่านั้นแหละสายตายาวกว่านั้นก็มองเห็นทะเลเท่านั้นแหละการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนเข้าใจขนาดไหนปฏิบัติตามคาสอนได้มากเท่าไหร่ก็จะเข้าใจในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น ปฏิบัติได้มากเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคมากปฏิบัติน้อยเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคน้อยเพราะว่าพุทธคุณนั้นเป็นสิ่งที่เกินกว่าจะคณานับได้แล้วท่านก็กล่าวเทิดทูลสดุดีพระธรรมว่าพระจริยาสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนำสัตว์ออกจากโลกด้วยพระธรรมใดก็คือพระองค์เนี่ยพระองค์ในทรงบำเพ็ญทรงประพฤติทรงปฏิบัติ แล้วทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเรียกว่าพระธรรมนะพระธรรมเหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่อรื้อขนสัตว์ให้ก้าวพ้นจากสังสารทุกข์พระธรรมของพระพุทธเจ้าอีกชื่อหนึ่งเราเคยได้ยินกันว่านิยานิกรธรรมเป็นธรรมซึ่งช่วยขนสัรพรสัตให้พ้นจากสังสารทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่แต่งคมพีท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอนมสการพระธรรมอันอุดมนั้น พระธรรมอันอุดมที่พระองค์ได้ทรงประพฤติทรงปฏิบัติและทรงแสดงแล้วพระธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงบูชาด้วยนะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมทั้งทั้งที่พระองค์นั้นเป็นพระธรรมราชาแต่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมมากมายนะพระองค์นี้ทรงอ่อนน้อมต่อธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ได้ยืนฟังธรรมทั้งคืนมีพิสูุรูปหนึ่งกล่าวธรรมพระองค์นั้นเสด็จเดินมาพอดี แล้วพระองค์ก็ยืนฟังตั้งแต่ต้นจนจบไม่กระแอมไม่กระไอไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเลยเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมมากขนาดนั้นถ้าหากว่าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมีประโยชน์โดยการแสดงของผู้ใดพระองค์จะให้ผู้นั้นแสดงอย่างเช่นภิกษุนีกลุ่มห้าร้อยรูปมีพระนางประชาบดีโคตมีเป็นประธาน ภิกษุีกลุ่มนี้จะได้ตรัสรู้ธรรมเพราะพระนันทกะแสดงพระผู้มีพระภาคก็ให้พระนันทกะแสดงโมพุทธบริษัทกลุ่มนี้จะอาจหาร่าเริงด้วยธรรมีกถาของพระอ น, นุ์พระผู้มีพระภาคก็จะทรงให้พระอนุนเป็นผู้สแสดงเพราะพระองค์นี้ทรงเคารพธรรมพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่ธรรมาราชาเป็นผู้ที่ประพฤติตามธรรมเคารพธรรมอะไรที่ถ้าเป็นไปเพื่อธรรม พระองค์จะทรงปฏิบัติตามนั้นอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่าลืมว่าธรรมะทั้งหมดเพื่ออะไรธรรมะของพระผู้มีพระภาคทั้งหมดก็เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนั่นเองพถ้ารทำทั้งหมดเลยก็คือเพื่อให้เราทั้งหลายได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อบุคคลตรัสรู้ธรรมแล้วจะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้พระธรรมทั้งหมดที่เราจะศึกษากันต่อไปนั้นเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคนั้นทรงประพฤติปฏิบัติ ทรงแสดงทรงประกาศและที่สุดธรรมะเหล่านั้นพระองค์ยังทรงเคารพทรงบูชาทรงเทอดทูลด้วยแล้วก็มาฟังอีกหน้าหนึ่งนะกล่าวถึงสดุดีพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์นั้นใ ด, ดเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคและผลสมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นคำว่าสงนั้นเราเคยได้ยินกันว่าสงนี่มีสองอย่างสงฆ์อย่างที่หนึ่งเรียกว่าสมมติสงฆ์ สงอย่างที่สองเรียกว่าอริยะสง์สมมุติสง์นั้นตามนิยะแห่งคัมภีร์กังขาวิตรณีกล่าวว่าสมมุติสง์ก็คือหมู่ภิกษุสี่รูปขึ้นไปได้ทําสังฆกรรมถูกต้องโดยทําโดยวินยัยโดยสัตวศาสตร์ขณะที่ประชุมสี่รูปนั้นเรียกว่าสมมุติสง์ในขณะที่ทําสังฆกรรมและสง์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยะสง์ คำว่าอริยสงฆ์นั้นก็คือผู้ที่เห็นอริยสัจตรัสรูร้ตามพระพุทธเจ้าผู้ที่เห็นอริยสัจตรัสรูร้ตามพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ผู้ที่ได้โสดาปิตมัชโสดาปิตพนสกทาคามิมัชสกทาคามีผลอนาคามิมัชอนาคามีผลอรหัตตมัชและอรหัตตผลผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้เป็นเป็นพระอริยสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เกิดจากอกของพระพุทธเจ้าอกในที่นี้หมายถึงธรรมะเพราะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคในความเป็นผู้ปฏิบัติดีของท่านเหล่านี้นะปฏิบัติจนถึงเห็นอริยสัจตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอริยศีลปฏิบัติตามอธิสีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญา ในความประพฤติปฏิบัติดีของท่านเหล่านั้นท่านจึงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกพร้อมทั้งเทวโลกอย่างพระมหากัะสปะใช่ไหมท้าวสกะเทวราชก็ยังมาใส่บาตรกับท่านในความที่ท่านเป็นนาบุญทั้นกลิ่นศีลของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายแม้เทวดาซึ่งเคยรังเกียจมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นมีกลิ่นเหม็นเป็นร้อยยศแต่ผู้ที่ปฏิบัติจนถึงอริยคุณมีศีลเป็นต้นแล้วเนี่ย เขาบอกว่ากลิ่นศีลของท่านเนี่ยระงับกลิ่นตัวได้หมดเลยความสามารถของพระอริยสงฆ์ขนาดนั้นแล้วพระอริยสงฆ์นั้นท่านผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณอย่างนี้เนี่ยเทียบกับเป็นเนื้อน่องหาดีอย่างชั้นยอดที่ว่าบุคคลเนี่ยโปรยทานลงไปด้วยศรัทธาผลอนนั้นหาประมาณนี้ได้จึงเป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมของโลกเขาบอกว่าห่วงน้าอ่ะนะที่มันตกที่ยอดเขา ตกมากแล้วมันก็หลั่งไหลบ่าท่วมทับแม่น้ําน้อยทับแม่น้ําใหญ่ไหลไปสู่มาหาสมุทรไม่สามารถจะคํานวณได้ว่ามันกี่ลิตรต่อกี่ลิตรทานที่บุคคลไดใ้ให้แก่พระอริยสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยอริยคุณผลบุญที่ทํานั้นก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันเพราะท่านเป็นนาบุญอันสูงสุดของของโลกกับทั้งเทวโลก บุญเหล่านี้ที่บุคคลไปทํำเพราะความปฏิบัติดีของท่านการปฏิบัติดีของท่านท่านก็ปฏิบัติตามพระธรรมพระธรรมที่ท่านปฏิบัตินั้นคือพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระัตนะตรัยนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือสิ่งเดียวกันถ้าเราเข้าใจบุคคลเมื่อรู้จักพระพุทธเจ้าจะรู้จักพระธรรมเมื่อรู้จักพระธรรมจะรู้จักพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์อยู่ที่การปฏิบัติ ท่านปฏิบัติอะไรเพราะท่านปฏิบัติตามพระธรรมและก็จะรู้ความเป็นพรัตนะตรายด้วยพรัตนะตรายนั้นเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมชื่อว่าพุทธมามะกะหรือพุทธศาสนกชนก็เพราะนับถือพรัตนะตรายมีพรัตนะตรายเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นเครื่องกาจัดภัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้า หลายท่านถึงกับมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระตนะรัยไม่ยอมหันหน้าหาศาสนาอื่นอีกต่อไปเชื่อมั่นว่าพระตนะรตยนี้จะช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกด้วยพระตนะรัรนั้นท่านกำจัดภัยภัยที่พระตนะไตยช่วยเราภัยไหนบ้างเราทั้งหลายมีชาติภัยเป็นธรรมดาใช่ไหมยังเกิดอีกนะเกิดอีก แต่ถ้าหากว่าเรามีพระธรรมะไตเป็นที่พึ่งจริงๆพระธรรมะไตรนี้จะช่วยให้เราพ้นจากความเกิดทําไมจึงเกิดนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าตำหนิน่ารังเกียจมากเพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดนะมีชาติเป็นมูลเหตุถ้าไม่เกิดสัอย่างเจ็บก็ไม่มีป่วยก็ไม่มีหนาวอย่างนี้ก็ไม่มีเพราะหนาวนี้ก็เพราะผลมาจากความเกิดใช่ไหม